คือแต่ก็มามามามาม า, มาสะดุดบางอย่างนะที่ว่าเออมันไม่ใช่ของเราเหมือนกันนะใช่สมมุติว่าเราไล่ไปถึงกรรมแล้วนี่นะครับไล่ถึงเจตนาแล้วเอ๊ะเจตนาตัวนี้เนี่ยมันเป็นกุศลหรืออกุศลเราก็ลองไล่ไปอีกและกุศลหรืออกุศลอันนี้เนี่ยถ้าเป็นฝ่ายเป็นฝ่ายกุศลเป็นฝ่ายอกุศลเอ๊ะมันเป็นโทสะหรือเป็นโลภะหรือเป็นโมหะถ้ามันเป็นฝ่ายกุศลบ้างเอ๊ะมันเป็นทานหรือเป็นศีเหรือเป็นภาวนา หรือว่ามันทําทางกายหรือทําวาจาไอ้กรรมนั้นทําด้วยกายหรือวาจาหรือหรทางใจนเนี่นี้พอไล่ๆไปดูแล้วไอ้จริงเหล่านั้นก็มีปัจจัยต่อไปอีกอะก็ไปขึ้นอยู่กับปัจจัยตัวอื่นนะดูๆแล้วเออมันก็มัน ก, มน ก, มนก็มันก็ห่างตัวลราไปบ้างอคือไอ้คำว่าเราอย่างที่ผู้การว่าโดยศัพท์นี่มันแปลว่าภายในเนี่ยแล้วก็ถึงไข้ครวนตามนั้นโดยปกติก็ไม่ได้ละความสําคัญ ตรงๆนะไม่ใช่เป็นเป็นการใครครวรแล้วละตันหาได้ว่าโดยตรงๆเลยเนะตัวที่ละ เ, เพราะอะไรเพราะว่า อ, าอนัตตลักษณะเนี่ยนะโดยโดยปกติแล้วการใครครวญอย่างนั้นเพื่อละทิฏฐินีนะ่แต่ที่พบบ่อยๆนะการที่จะละความสำคัญว่าเป็นของเราได้อย่างแท้จริงก็คือการพิจารณาโดยทุกขลักษณะนี่นะเพื่อเบอ น, นนะคือโดยทุกขลักษณะคือไตรลักษณ์เนี่ยนะ จริงๆแล้วเรื่องเดียวกันเนี่ยเดยเขียนก่อนค่อยดท่านผูดด้ใดเคยไปวิจัยมังหรือเปล่าเคยทำปริญญามั้งหรือเปล่าเมันก็มันก็แปลกดีเหมือนกันนะผมคิดว่าแปลกดีเหมือนกันนะ อันนั้นเอาแบบอายตะนะที่คุ้นเคยกันเลยคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจตานี้เราต้องต้องท่าทผู้ที่จะวิเคราะห์ก็แยกคือจกักขคูทัศกะเนี่ยนะหูคือโสตทัศกะจมูกคือคานะทัศกะ เลนคือชิวหาทศกะกายคือกายะทศกะแล้วก็มีตัวพ่วงอีกอย่างหนึ่งคือภาวะทศกะด้วยแล้วก็เพิ่มอีกตัวหนึ่งพิเศษหัตยาทศกะแล้วก็ยังมีตัวที่ไปรักษาอีกหนึ่งคือชีวิตนว ก, กะเห็นไ ส่วนใจนี่ก็ประกอบไปด้วยพวังพวังก็เอาติเหตุกะเลยนะถ้าไม่เอาติเหตุเดี๋ยวไม่ได้เกิดปรารถนาและไม่บรรลุเพราะมัวแต่คิดว่าถ้าถ้าใครบอกว่าชันนี่ทิทวิเหตุแน่รู้ว่าไม่ต้องหวังมรรคผลชาตินี้หรอกเพราะอะไรเพราะยังไงก็ไม่ได้บรรลุแต่ว่าที่ไม่ได้บรรลุนะเพราะคิดว่าตัวเองเป็นทวิเหตุไว้ก่อนเลยไม่ได้บรรลุเลย เี้ก็มาไล่ว่าจักคู่ตัวนี้มาจากอะไรโสตะคานะเชียวหากายพอแยกมาเป็นแบบนี้ก่อนนะย้อนทวนอีกครั้งหนึ่งถ้าแยกเป็นอย่างนี้ถามว่ามันเป็นใครก่อนไหมมันคือใครคือเอาเอายางไงหนึ่ง เอาคยเคยอนันคําถามแบบนั้นเอาไว้ก่อนผู้การคือตาใช่ไหมตาผมคือตากับผู้การนี่คือสิ่งเดียวกันคิดแบบนี้ไหมส่วนนึงตาผมไอของถ้าของก็ไม่ใช่อ่ะภรณ์ไนกันไม่มตอบไม่ตรงคําถามอ่านะอ่านะไม่ใช่เลยตาไม่ใช่ผู้การแล้วหูเป็นผู้การไหม ไม่ใช่จมูกไม่ใช่ลิ้นก็ไม่ใ ช, กใช่กายคือผมกายคือขนคือเล็บคือฟันคือหนังคือตัวผู้การคือสิ่งนั้นใช่ไห ม, ไมคือสิ่งเดียวกันบอกไม่ใช่ความเป็นชายไม่ใช่หัตยะก็ไม่ใช่ใชแล้วตัวความคิดผวังที่มันสับแต่ละแต่ละทวารเนี่ยนะเช่นหยับยาบก่อนเนี่ยผวังจะมาสับระหว่างการเห็นกับการได้ยินสับการรู้กลิ่นกับการ รู้รสหรือว่าระหว่างเย็นรับเย็นกับไปรับร้อนเนี่ยก็ถือว่าผวังมาสับหมดแล้วอันตัวนั้นใช่ไหมคือตัวผู้การที่แท้ตัวนี้ไม่รู้เลยครับเลยไม่สามารถจะตอบได้ก็คือตัวที่ดำรงพูดแบบง่ายๆเลยบอกตัวที่ทำให้ดำรงชีวิตอยู่ทางความคิดเนี่ยนะตัวนั้นใช่ไหมตัวนั้นคือตัวเราไหมตัวที่ดำรงให้ไม่ตายหลับก็ยังอยู่ได้ตื่นขึ้นมายังไปต่ออีก ตัวนั้นใช่ไหมคือตั ว, ต, วตัวเราแท้ๆ น, นะนะคือตัวเราอะแต่ถ้าไม่ใช่ไอาการแยกแบบเนี้ยละตัวทิฐิตรงนั้นตรงๆซึ่งไอทิฏฐิอันนี้แหละที่เรียกว่าสกายะทิฐิคือสำคัญว่าอันนี้อายตนะทั้งมวลเนียคือชั้นชั้นคืออายตนะเหล่านี้พอมาแยกแบบนี้แล้วก็ไม่มี ไม่มีใครความจริงอันนี้ภาษาธรรมะใช้คําว่าเนี่ยทุกอันนะตัวทุกเหล่านี้มีอยู่จริงใช่ไหมจริงถามว่ามันใครใช่ไหมก็ไม่ใช่ของใครใช่ไหมถ้าของเราถ้าของเราก็มาไล่ต่อไปว่าถ้าใช้ของเราเนี่ยคือแล้วมันสร้างทุกข์ให้ขนาดนี้อย่างว่าของเราอีกหรื อ, อ น, นะใช่ไหม ก็ตัวตาจริงๆอะนะสมมติว่าอ้าวตาคือเราอะนะโรคตานี่บานเลยอแล้วไอ้ไอ้ตัวที่มันโรครังโรคขนาดนี้ยังสําคัญว่าของเราอีกหรืออย่างเงี้ยนะจมูกเนี่ยนะไซนัตเนี่ยโอ้แต่กว่าหายใจก็ฟืดฟาดหายใจไม่ค่อยจะออกกลิ่นก็ไม่น่าปรารถนาอะไรเลยแล้วจมูกมันจะของเราหรือหูก็ได้ยินแต่เสียงที่ไม่น่าปรารถนากลิ่นหรือเป็นต้นเนี่ยนะไข้ ค, รครวรทั้งหมดเนี่ยจะไม่เห็นว่ามันเป็นของเราแต่ ข้อที่สำคัญคือสาวไปหาปัจจัยต่อไปอีกการที่จะนาธรรมะเขาจะไม่อยู่ๆแล้วจะไม่ยกอันใดอันหนึ่งแบบโดดๆขึ้นมาคือจะจำแนกก่อนอย่างน้อยที่สุดให้เหลือสองคำก็ยังดีคือนามกับรูปอันนี้เป็นเป็นธรรมะที่เราคุ้นเคยเนี่ยนะส่วนเนี้ยเป็น ย่อยๆก็คือเป็นรูปอ่านะตัวผวังนี้เป็นนามนะแล้วปัจจัยล่ะอนะก็สาวไปหาปัจจัยก่อนเพราะวันแรกนะเราก็ไม่ได้สําคัญว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเป็นชั้นแล้วใช่ไหมเมื่อไม่ได้สําคัญว่าเป็นเราเป็นอะไรเลยอ่ะสําคัญว่ามันเป็นตาเป็นหูเป็นจมูกเป็นลิ้นเป็นกายแล้วก็เป็นใจแล้วตามาจากกรรมอะไรอ่านะ กายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมว่ารวมๆแล้วมาจากกรรมหูก็มาจากกรรมจมูกลิ้นกายก็มาจากกรรมแต่ว่าพบนี้ที่ชัดๆเลยอ่ะนะอาหารเนี่ยต้องทานทุกวันแน่นอนอันนี้ตรงๆละเห็นไหมอุโบสถวันนี้ก็อาจจะขาดเฉพาะกับพลิงกระหารที่เป็นคําอ่ะนะก็ยังรับน้ํำปนานะอยู่ดีก็ก็อาหารอีกอยู่ดีอห็นไก็รับอาหารดงั้นกายเนี่ยดำรงอยู่ได้ด้วยอาหาร ส่วนผวังนี้ก็ต้องอาศัยกายอีกครั้งหนึ่งอยู่ด้วยด้วยดำรงอยู่ด้วยกายแล้วกรรมที่จะทําให้พวกนี้มันเกิดกรรมนั้นมาจากไหนว่ารวมๆเลยอะ่ะก็คือไม่ได้แทงตลอดอริยสัตว์มาเลยถ้ากรรมที่จะทําให้เกิดจักขูเนี่ยนะก็ไม่ได้แทงตลอดเช่นรูปรูปสมูทัยรูปนิโรรูปนิโรทคามินีปฏิปทาก็ไม่ไม่ได้แทงตลอดมาเลยะฉนั้นอวิชาก่อให้เกิด ตันหาตันหานี่เป็นปัจจัยจึงมีกรรมกรรมเป็นปัจจัยจึงมีทําเหล่านี้ที่นี้แล้วตาเนี่ยมันเป็นปัจจัยแก่อะไรต่อไปบ้างเห็นไหมเห็นไหมตาก็เป็นปัจจัยแก่สํานวนไ ง, ไง่ายๆการเห็นหูก็เป็นปัจจัยแก่การได้ยินทุกครั้งที่เห็นคือภาษาเนี่ยนะ เพราะในขณะที่ภาษาเกิดเวธนาก็เกิดต่อด้วยพอใจยอย่างหนึ่งเรียกว่าตัณหาอุปาทานและกรรมเกิดพร้อมกันมีผลต่อไปข้างหน้ามีผลควรจะเป็นอะไรดีด <laughs> เป็นตาเนาะ Oh, เนะถ้าโลภะถ้าตรงนี้คือโลภะแปดคือสิ่งเดียวกันเกิดพร้อมกั น, กกนแต่ถ้าเป็นโทสะสองโมหะสองมหากุศล8ปต้องไปแยกอีกทีหนึ่งแต่ถ้าเป็นโลภะแปดเนี่ยถือว่าสัมปยุตตปัจจัยแล้วก็ถ้า มันจะเป็นลักษณะนี้นะอาโกโกอากโกอากโกอากโกแล้วก็โกด้วยอากโกด้วยไงเอาหมดอะก็ก็ไปไล่ปัจจัยเหล่านั้นต่อไปอีกเพราะว่าการเห็นหนึ่งครั้งนะเป็นอะไรบ้างเอาพอเห็นปับ๊บพอใจบางคนก็หยุดอยู่แค่พอใจที่เป็นมนโนกรรมไงบางคนยยนี่ยึดเนยนะซึ่ง ความยึดนั้นก็แตกต่างกันบางคนก็ยึดมากบางคนก็ยึดน้อยบางคนก็ทำวาจีกรรมด้วยบางคนก็ทำกายกรรมด้วยแล้วไม่หยุดอยู่แค่นั้นนะยังนัดพบต่อกันเพื่อจะเห็นวันหลังต่อไปอีกเนี่ยนะ ก, ก็เรียกว่าจะซับซ้อนหรือไม่อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่ารวมๆหนึ่งขณะนี้เป็นปัจจัยแบบนี้ต่อสมมติว่าต่อการกับพริบตาหนึ่งครั้งเหมือนั้นเเป็นแบบนี้หมดเลยปัจจัยอย่างนี้ การรู้ปัจจัยเหล่านี้นี่แหละจะละความสําคัญผิดหรือละความสงสัยได้สําคัญผิดว่าผู้ใดมาสร้างให้เราเนี่ยไม่มีเพราะเพราะใครอันนี้ไม่สงสยัยอย่างที่สองสงสัยอดีตสงสัยอนาคตเป็นต้นไหมไม่สงสยัยทีนี้ ท, ทุส่วนที่เหลือเมื่อเข้าใจแบบนี้แล้วก็ที่เรียกว่าตีระปริญญาอะไนระ จักขูเป็นโรคยังไงนะหรือพุทธพ์ขึ้นเลยใช่ไหมของร้อนไฟสิบเอดกองเนี่ยเผาแน่จักขูเผาหนึ่งไฟคือราคาเผาจักสูกก่อนใช่ไหมยึดติดในตาตัวหนึ่งสองเมื่อจักขูมันเห็นไม่ค่อยดีเป็นต้นเนี่ยถามว่าชอบไหมไม่ชอบมองเห็นวันนี้จักขุจักขูสมุทยัย ถ้าจากักรครูเหล่านี้ไม่เป็นไปเป็นจักรคูนิโรธด้วยข้อปฏิบัติอันนี้นะเห็นไหมไม่เห็นโมหะเผาอีกนะไฟคือาราคะโทสะและโมหะเผาเมื่อเห็นแล้วนะสบายใจไหมแต่และเห็นเนี่ยที่เห็นเนี่ยนะก็ไล่ไปเห็นใครมั่งที่แหมสบายใจที่สุดเลยเนี่ยนะเห็นวัตถุใดบ้างเห็นพ<า>ระพุทธรูปบางครั้งยังไม่ค่อยสบายใจเลยนขนาดว่าบุคคลบริสุทธิ์ขนาดนั้นนะบางครั้งก็ยังไม่ค่อยสบายใจเลยนะีย เช่นไปโทมานัตเรื่องอื่นมากๆ า, กากดูพระพุทธเจ้าดูตั้งครึ่งชั่วโมงก็ยังไม่โสมนัตเลยอย่างนี้เพราะฉะนั้นจกักขโเนี่ยเป็นปัจจัยให้เกิดทุกขทางกายด้วยเป็นปัจจัยให้เกิดทุกขทางใจด้วยโสกะปริเทวะทุกขโทมานัตและอบายาตเพราะจากักขโเนี่ยมันเป็นที่เห็นอะไรสีในโลกเนี่ยมันสร้างความสุขหรือความทุกข์ให้มากกกันสีทั้งหมดเลยนะไม่ว่าสีอันนั้นจะเป็นสีภายในสีภายนอกขอที่เรียกว่าลืมตาเห็นน่ะ ถ้าอันนี้เขาบอกว่าสีทั้งหลายเป็นสมบัติของคนที่มีจักรสุอันนี้ใช่ไหมทีนี้เมื่อมีจักรสุไปรับภาพแบบนั้นแล้วเนี่ยที่ไม่ก่อให้เกิดโสกกะปริเทวะทุกโทมนัตและอุปาญาตเนี่ยหาดูเถอะมีไหมในโลกนี้สีที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียใจเลยนะไม่ก่อให้เกิดโสกกะปริเทวเสียใจไม่สบายใจครับแค้นใจไม่ลำบากกายไม่ลำบากใจไม่ต้องโทรมานเลยมีเห็นแล้วมีความสุขมากเลยนะ คิดถึงเมื่อไหร่ก็มีความสุขทุกทีร่ําไปตลอดมีไหมไม่มีเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะสีที่เห็นตัวสีเองกิงๆก็สมุฐานสีใช่ไหมสีนี้เกิดจากกรรมจิตอุตุและอาหารทีนี้ถ้าเป็นสมมุติว่าสีหน้าคนตอนที่เห็นบางครั้งอ่ะโสมนัตเวทนาเป็นปัจจยัยเออคอยยังชั่วหน่อยแล้วอีกพักหนึ่งโทมนัตเวทนาเกิดเอ๊ะชักไมก่ไม่ค่อ ย, ไ ม, อยไม่ค่อยอยากเห็นเลยใช่ไหมแต่ตอนเห็นตอนก็โสมนัตเออหน้าเห็น ไปเห็นตอนโทรมานัดเข้าอีกไอ้ชักมาเคยอยากเห็นเนี่ยนะเห็นกำลังหลานกําลังร้องไห้ไม่น่าดูเลยตอนมันกําลังหัวเราะกาลังยิ้มเนี่ยนะเอออยากเห็นมากเนละตอนที่มันร้องไห้น้ํามูกน้ ำ, นำตาแล้วก็โวยวายเอะเบิงเพิ่งอยูอ่นั่นหมดนะเออไม่เคยอยากเห็นเนยนะเพราะฉะสีทั้งหลายมันก็สมุทฐานสีเพราะฉะนั้ น, า น, า น, าะะ น, นอาศัยตาอันนี้ก่อให้เกิดโสกกะปริเทวะแล้วตัวตาเนี่ยจักขูโรโกมีไหมเอาเถอ แต่ก็เดือดร้อนมันเอียงบ้างมันเคบ้างมันดูไม่ค่อยชัดบ้างเดือดร้อนเรื่องตัวตาอีกนั่นแหละแล้วตาเนี่ยมันก็อาศัยองค์ประกอบอย่างอื่นๆ อ, อีกใช่ไหมน้ําตาหล่อเลี้ยงไม่ค่อยพอบ้างฝืดตาบ้างอะไรบ้างก็อยู่อีกแล้วทีนี้ชีวิตมันไม่ได้อยู่แค่ลูกตาอันเดียวมันไปหูอีกอย่างจมูกอีกเลนส์อีกกายกายนี่ไล่ไปตั้งกับผมขนเล็บฟันหนงังไล่ไปเรื่อยๆเลยนะเพราะงพวกเนี้เป็นของร้อนหมดเลย ผู้ที่พิจารณาโดยความเป็นของร้อนนี่จะบอกว่าสิ่งนี้เมันของเราจริงหรือเปล่าเพราะอะไรเพราะมันสร้างความเดือดร้อนให้ขนาดนี้เนี่ยนะก็ะจึงบอกว่าสันตาปนัโถเนี่ยนะตากการณทะเลาะกับขนตาครับจากขุงนะสันตาปนัทโถพวกนี้ทั้งหมดเนี่ออยผมใช้คำว่าทุกข์ศาสต์เป็นสันตาปน้านะ เป็นของร้อนหรือเป็นตัวที่ที่เดือดร้อนเตันหาเป็นตัวเหตุให้เดือดร้อนงั้นะแล้วอาศัยจากครูอีกมาสร้างตันหาอีกเพื่อสร้างความเดือดร้อนต่อไปอีกเเพราะฉะนั้นถ้าอย่างนี้เรียกว่าจะละตันหาได้ไอ้ความพอใจนะอดีตก็สร้างความเดือดร้อนมาปัจจุบันนี้ก็หนักหนาเต็มทีแล้วนันแล้วก็เห็นใหม่ก็สร้างความเดือดร้อนอีกต่อไปเนี่ยนะ ถามว่าสิ่งที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนนั่อยู่แค่นี้เราจะมองไหมจริงๆแล้วพวกนี้สแสวงหาปัจจิตีเนี่ยนะสแสวงหาเครื่องนึ่งห่มที่อยู่อาศัยอาหารนี่นะแล้วก็อยู่ยารักษาโรคองค์ประกอบอื่นๆนะจะเดือดร้อนขนาดไหนเพราะมีวัตถุพวกนี้มีตาหูจมูกลิ้นกายใจเหล่านี้เนี่ยนะต้องหาผ้าให้มันห่มหนึ่งไหมสองหาอาหารมาบำรุงมันอีกแล้วพอได้เครื่องนึ่งห่มดีอาหารดีต้องมีที่อยู่ด้วยนะ นะต้องที่อยู่พอมีที่อยู่เสร็จนะต้องมีอะไรให้มันดูอีกไหมก็หาเครื่องทวารตาเนี่ยนะสนองทวารตามาบอกไม่พอต้องหาเครื่องทวารหูด้วยไม่ได้ต้องค้นน้ำหอมมาไว้ให้เต็มหมดต้องปลูกอะไรให้มันหอมให้หมดแล้วได้เวลาก็ทวารลิ้นอีกเสร็จ แ, แล้วทวารกายนะมันปวดหัวมั่งตัวร้อนมั่งเป็นไข้มั่งอ่ะนะก็หามาบำรุงไปเรื่อยอีกอย่างนี้แล้วได้อย่างอื่นหมดทวารใจอีก มันนึกแช่งคนนี้บ้างนึกด่าคนนั้นบ้างนึกไม่ชอบคนโน้นบ้างอ่ะเดือดร้อนทวารใจเอกนันก็ตัวเดือดร้อนอยู่อย่างนี้แหละไม่มีจบมีสิ้นนะไม่เอาแล้วครับใครเอาไปก็เอาไปดทีครับเขาก็ไม่เอาอย่างนั้นเลย ว่าเมื่อบุคคลเกิดดัญหาในจังหวะส่วน้า ก, ก็จะเกิดในทางจะมีในพบต่อไปก็จะเป็นโตตัดานาจิวหาอะไรก็เกิดแบบนั้น เ, ออเป็นคําถ้าเป็นเ อ, อกามาวจรเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นพรหมบุคคลที่เป็นท่านนาคามีเนี่ยไม่ติดในจมูกเลนกายนเนี่ยนะก็เบาไปยเยอะเราจะเห็นว่า <c oughs> เออที่ ว่ปัญญามันเกิดจากปรโโตัตโตโคสานะคือได้ฟังจากพระอาจารย์สมบัติเนี่ยเนี่ยเนี่ยเราฟังไปแล้วเราฟังเพียงเท่านี้นะเรายังรู้สึกว่าเออมันไม่น่าจะเป็นของเรานะเพราะว่าท่านได้ชี้ให้เห็นถึงไอ้ความไอ้ความทุกเกิดจากจริงเหล่านี้เนี่ยเราเรายังเรายังเห็นเลยนะแต่ว่าถ้าเราไปเพิ่มพูนโดยโยนิโฉมสการอีกอย่างหนึ่งนะครบสองอย่างนี้นะ <N> เนี่ยเราจะเห็น อ, อิทธิพลของโยโงนิโสมนักสิการที่เอาเข้าไปตึกเนี่ยแหละถ้าการปฏิบัติธรรมเนี่ยแหละถ้าไปเจริญเอาไปเพ่งสิ่งที่น่าคิดอย่างหนึ่งนะเหมือนกับว่ามีคนเอาภาระสักอย่างหนึ่งมาให้เราเลยนะเอาสมมตินนะมีคนเกิดนึกเอาเขาฝากเลี้ยงลูกให้สักปีนึงอย่างเงี้ยนะเสร็จแล้วมันป่วยก็มากไ <c oughs> ข้ก็เยอะงอแงก็เก่งเนี่ยนะ โอ้ยแล้วเขาคำนวณว่าเอาภาระอันใหญ่มาให้เลยแต่ว่ามันน่ารักอะ่ะนะเห็นแล้วชอบมากเสียแล้วเอาไหมอย่างเงี้ยนะอันนั้นคือสมมตนั่นคือตัวภาระหรือเอาแบบต้นไม้ชนิดหนึ่งที่เรียกว่ามันรักษายากมากแล้วก็ต้องไปดูแลอันนั้นอะ่ะแต่ว่ามันสวยอะ่ะแต่ว่ามันรักดูแล ย, ยากอะ่ะท่านถ้ามองในแง่อส่าธาเนี่หน่อยเดียวแต่ถ้ามองในแง่ภ า, าระที่จะต้องเข้าไปชดใช้เนี่ยนะ เอาร่างกายของเราเนี่ยว่ามันดีอะแต่ว่าดูภาระขนาดไหนเนี่ยนะแต่ละคนเนี่ยบริหารตัวเองเนี่ยมันภาระนะเช่นสแสวงหาสีที่จะให้ตาดูนะหามากกว่าจะได้เจอสีที่ที่อยากเห็นสแสวงหาเสียงเพื่อให้หูได้ฟังเนี่ยนะก็หามากแสวงหากลิ่นเพื่อให้จมูกรับรู้สแสวงหารสเพื่อให้ลิ้นรับกระทบสแสวงหาผ้านเนี่ย มาเนี่ยถ่านหนาวเนี่ยทำยังไงมันจะอุ่นขึ้นถาร้อนทํำยังไงจะเย็นเนี่ยนะแล้วถ้ามันแข็งทํำยังไงมันจะอ่อนถ้ามันเมื่อยมันตึงมันเคร่งทํำยังไงมันจะดีขึ้นแล้วยังไม่พอบริหารความคิดอีกเนี่ยมันเดี๋ยวมันนึกดีใจมันก็ดีใจขึ้นมาใช่เดี๋ยวมันก็เสียใจอีกล้เดี๋ยวมันก็ไม่สบายใจนะอย่างอื่นนะทวารตาหูจมูกลิ้นกายตอนนี้ดีหมดเลยว่างๆมันไปหาเรื่องไม่สบายใจมาคิดอีก ไอเรื่องนั้นมันยังไม่เสิดจอะมันปัญหานะเอาเอามาจนทุกข์จนได้อ่ะเรียกว่าปัญหาไม่มีจบมีสิน้นและในขณะเดียวกันนะ่ะนะไอปัญหาอันนี้ด้วยคือการสร้างปัญหาระยะยาวอีกต่างหากเนี่ยนะพันจะว่าของเราได้ไหมอันพงษ์บอกว่ามันไม่ใช่ของเราหรอกมันคืออะไรอ่ะมันก็คือกองทุกนั่นแหละทํายังไงจะดับทุกข์ได้นะก็บอกตัดฉันทราค่าในสิ่งนั้นเนี่ย น, นะถ้าละฉันทราค่าได้ก็มีความสุขถ้าละไม่ได้ นั่นแหละคือตัวทุกข์ละในตังมะมะครับนั่นไม่ใช่ของเราอ่ะนะนั่นไม่ใช่ของเราอ่ะนะตัวทุกข์อันนี้ด้วยแล้วสําคัญด้วยทุกข์ด้วยไม่เที่ยงในตังหากอย่างกัรเล่นกล น, นะสังเกตดูนะใครใครที่แบบผ่านชีวิตมาร ะ, ระยะกันนี้กันแล้วนะถ้าลองคิดทบทวนดูของเก่าทั้งหมดนะยังกับของเด็กเล่นจริงๆเลยนะพระองค์บอกว่าความฝันคือชีวิตที่ผ่านมาทั้งหมดของเรานะอยู่ในกามมาพบพระ อ, องค์เรียกว่ากาม การทั้งหลายเหมือนความฝันเนี่ยนะมันก็เหมือนฝันเอาจริงๆเลยนะซึ่งซึ่งอ่ะเอาเอาไ อ, าอา้ที่ผ่านมาเอามามาเป็นอะไรตอนนี้ไม่ไม่ได้สักอย่างนะนะแล้วก็เหมือนกับของขอยืมนะทุกอย่างชั่วคราวหมดนะนะของขอยืมทั้งหมดถึงให้กลับไปนะส่วนหนังชีวิตผมก็ไม่เอาทักแหงนะตอนเป็นหนุ่มมาหนุ่มฟ่ออะไรเป็นนะัก <c oughs> เรียนในร้อยนยูยูเรียน มือนก็กักทังในคุกเลยหกวันวันเสาร์อาทิตย์มันยังก็สว่างใวันวนัออกมาแล้วนะเพราะว่าที่เดินก้าวไปหงอยก้าไปเลยนี่นะโอ้โหให้ไปสอบติดอีกนะหนึ่งในะจํานวนนะักเรียนเยอะๆเนี่ยนะไม่เอาครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็ไปอีกนะนับไนต่างกันไปเรื่อยอยู่ในคันอีกอก็ภาระเนี่ยบริหารเนี่ยของนี่แหละเราละ่ะให้กลับเป็นเด็กและโตขึ้นมา ไม่เอาได้ยังไงผมไม่เห็นตัดฉันธาราค่าอะไรสักอย่างเอาตลอดนั่นแหละทำเป็นเหมือนไม่เอาอ่ะนะที่ไหนได้ตะครบก่อนเพื่อนอยู่แล้วชอบพวนเมกะละแมชอบพวนเม็กะละแมผมเป็นคนวิ่งส่งของอ๋อไม่ต้อรวนใช่ไหมตอนนี้เรียไม่รู้เรื่องเลยกำลังคิดเรื่องทางบ้านอ๋อทำไมล่ะก็จะไปรู้ได้ยังไงเพราะว่าคิดเรื่องอื่นหมดมีคนงาใหม่ขึ้นมาอีกค เราเลยส่งของมูลเรองปั่จักรยานมาก็แย่งรถเหมือใช้อันนั้นแหละคือการสร้างใหม่แล้วรู้ไหมสร้างอายตนะใหม่คือจริงๆแล้วนะผู้ที่ไม่ได้ทําปริญญาเลยเนี่ยจะไม่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยสร้างอยู่เดี๋ยวนะก็ อ, อาจจะคิดว่าตอนที่เราเพลิดเพลินในที่เรียกว่าโสมสนัตขณะนั้นจริงจะเรียกสร้างนะจริงๆแล้วไ่้ตันหาทำปกติธรรมดาคืออุเบกขาเนี่ยนะ ตัวตัวโลภะที่เป็นอุเบกขาเนี่ยอันนี้เกิดมากในในชีวิตทั่วๆไปนะที่ไม่ค่อยได้รับอิทธารมณ์เนี่ยโลภะอุเบกขาเนี่ยเกิดมากเช่นว่าเห็น เ, เห็นผ้าเนี่ยไม่เห็นโสมนัตแต่ก็ไม่รังเกียจเนี่ยนะแล้วไม่ปัจเจเวกด้วยไม่ที่จะไม่เอาศีลสมาธิปัญญาอะไรมาจับเลยแต่ไม่รังเกียจนะเฉยเฉยนั่นแหละโลภะอุเบกขาทั้งนั้นเลยนะ แล้วที่ที่หนักไปทางโมหะเนี่ยนะธาตุคือโมหะนี่มันหนักตัวนั้นทั้งหมดเนี่ยคือปัจจัยแห่งทุกข์ทั้งนั้นแหละนั่นแหละคือสมุทัยทั้งนั้นเลย <c oughs> แต่ผู้ที่จะเจริญจะเห็นอันนี้นะก็พยายามทบทวนนะปัจจัยกับปัจจยุบันอันตนิสองอย่างนี้ต้องมาใคร่ครวญให้มากนันแะตาเนี่ยนะมาจากอะไรแล้วเมื่อมาเห็นอย่างนี้นะมีผลต่อไปยังไง หูที่ได้ยินตอนนี้เนี่ยอย่างหูตัวนี้เนี่ยมาจากตัใจอะไรบ้างแล้วเมื่อฟังแล้วนะขนะที่ฟังทั้งหมดนั่งนิ่งๆฟังเฉยๆเนี่ยมโนกรรมตลอดเลยกับพิภตาสลับกันไปอะไรกันไปนะขยับตัวเป็นกายกรรมด้วยเนี่ยนะจดเขียนโน้ตทั้งหมดเป็นกายกรรมพูดเป็นว จ, จีกรรมนะึกฟังเฉยๆเนี่รับรู้เนะี่ยเป็นมโนกรรมมีผลไหมเนี่ยนะพวกนั้นอนะ่ะมีผลทั้งหมดเนี่ยนะ ทำยังไงจะละมันได้เลยนั่นแหละคือสร้างภาระอันใหม่นะนะบอกว่าภาระอันนี้ก็บริหารนะขณะเดียวกันติดต่อภาระอันใหม่เอาไ ว, เว้เบ็ดเสร็จหมดนั่นนะจนกว่าจะตัดฉันทราฆาในอุปาทานขันท่าแล้วตัดยังไงล่ะคะนี้ <c oughs> สรุปแล้วละยังไงคะนี้ว่ามันต้องยืดยาวแล้วนี่จะละมันได้ยังไงโอ้เห็นโทษละอยากละละต้อง <c oughs> ต้องเอ่อ ทำปริญญามากๆนนตั้งแต่ยาตะมาะถึงเตียนนปริญญาเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าทำมากๆนะความรู้สึกจะต้องจะต้องเปลี่ยนไปแน่นอนฟังแค่นี้ยังยังยังถ้าพื้นฐานโดยอ่ปกติเลยนะเช่นอย่างเอาโลกานนโรทสูตรมาสาธยายบ่อยๆนะเห็นอะไรหนึ่งอย่างเนี่ยนึกถึงสูตรนี้ไว้ก่อนเลยเช่น อาศัยจากขูกระรูปเกิดจากขูวิญญาณนะแต่ต้องรู้ว่าปัจจัยของจากขูมาทั้งหมดเลยนะว่าจากขูคืออะไรมาจากปัจจัยอะไรเช่นจากขูเนี่ยมาจากมหาพูทธรูปมหาพูทธรูปมาจากกรรมกรรมมาจากรูปปัตนานเนี่ยนะตันหาที่ชอบรูปกับพระอวิชชาเนี่ยแล้วเป็นปัจจัยจึงเกิดกรรมกรรมทําให้มีมหาพูทมหาพูทเป็นปัจจัยจึงมีจากขูอาศัยจากขูกับอย่างเงี้ยแก้วน้ำเนี่ยเกิดจากขูวิญญาณ สามอย่างประชมการก็ผัสสะภาษะภาษะก็เวทนาเวทนาก็เป็นปัจัยกับตันหาบอกเลิกเรียนนี่ดื่มแน่ตันหาก็เกิดต่อใช่ไหมตันหาถึงอชอบมาจะเรียนเอาปัจจเวกสัหน่อยนะพิจารณาเป็นศีลก็เป็นกรรมอีกกรรมเหล่านั้นเพื่ออะไรเพื่อมีจักรสุอันต่อไปน่และแล้วทวารหูอีกที่มีหูนี่มันได้ยินแล้วก็สร้างกรรมใหม่เห็นไนะ แต่ถ้าสําลักตันหาในจักขโคได้ละตันหาอวิชชาในจักขโคละตันหาอวิชชาในสีละตันหาอวิชชาในจักขโคสัมผัสละตันหาอวิชชาในเวทนาละตันหาอวิชชาในตันหาได้ถ้าละตันหาและละอวิชชาในสิ่งเหล่านี้ได้ก็ทำที่สุดแห่งทุกได้ทีนี้ถ้าละตันหาในจักขโเน่ละด้วยอะไร ก็อย่างที่ว่าเมื่อกี้ว่าจากโคเนี่ยสร้างพิษภัยขนาดนี้เนี่ยนะยังสําคัญว่าของเราอยู่หรือแล้วจากสซเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงอันะการใคร่ครวญทั้งหมดเหล่านั้นนะเป็นเพื่อเป็นไปเพื่อสั่งตันหาและอวิชชาทั้งนั้นเลยข้อสาคัญที่สุดว่าเจริญได้มากหรือเจริญได้น้อยเนี่ยนะทีนี้ผู้ที่จะเจริญได้มากหรือได้น้อยเนี่ยก็ไปดูว่าปัจจัยของวิริยะสัมโพชงอีกครั้งหนึ่งว่ามีเพียงพอไหมเนี่ยนะก็ โพชงบัพพาจะได้กล่าวกันโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งว่าทำไมจึงไม่เพียรเนี่ยนะแล้วถ้าเพียรแล้วอาศัยปัจจัยอะไรบ้างทำให้เพียรแล้วเพียรแล้วมีอา น, นิสงส์อย่างไรบ้างเนี่ยนะ้ก็อันนั้นก็เป็นตัวที่ควรใคร่ควรวนให้มากๆเนี่ยนะแล้วก็ที่เจริญต่อไปก็กลับเป็นโพชงเนี่ยนะหาปัจจัยแห่งโพชงหรือเอาโพชงเนี่ยมาทาปริญญาให้มาก ความสวยงามเป็นโลกิยะคุศลใช่ไหมคือมันเป็นศัพท์ที่ตอบไม่ได้ไม่รู้ไอสวยของคุณอะไรแบบสวยกันแน่ก็ไม่รู้มไม่รู้อะไรสวยก็ไม่รู้เลยตอบไม่ได้อะแล้เป็นคุสนซะด้วยอ่ น, นะคือคือโดยศับนะถ้าสุภะเนี่ยนะบางคนเนี่ยคือคือมันคิดได้มา ก, กอะ น, นะมันคิดว่าเออบางพวกนี่เจริญฌานเรียกว่าสุภะ คำว่าคือพวกเจริญวรนนักสิลป์ต้องใส่ใจวันนักสินนั้นว่างามงามแล้วก็เจริญกสิลแล้วก็เข้าฌานถ้าสุภาอนนั้นซึ่งหมายถึงปฐมฌ า, านเป็นต้นก็เป็นกุศลแต่ถ้าสีเป็นสีงามเสียงงามกลิ่นงามอันนี้ไม่ใช่เห็นไหมจิตที่ไปคิดอย่างนั้นเนี่ยไม่ใช่กุศลเป็นปัญหาที่แยกตอบยาวมากเป็นกุศลวิบากเนี่ยเป็นกุศลวิบากเน่ยไหมครับความสวยความเพาะเสียงอะไร เ ส, เสียงตัวเสียงตัวสีไม่ใช่กุศลวิบากนะเพราะสีเนี่ยสมุดฐานสีใช่ไหมกกเป็นรูปอะแต่รูปอันนั้นเขาจะไม่เรียกวิบากถ้าวิบากใช้เฉพาะนามเนะนี่ยนะวิบากเป็นศัพท์ที่ใช้เฉพาะกับนา ม, มาธรรมส่วนรูปใช้คำว่ากรรมมชรูปหรือกระตัตตารูปเป็นรูปที่กรรมเนี่ยสร้างขึ้นไม่ใช่วิปากระปัจจัย